ควรดูใจกันก่อนตายไหมถามอ่านจากที่คุณดังตรินเคยเขียนไว้ในหนังสือเสียดายคนตายไม่ได้อ่านว่าการส่งคนตายให้ได้ไปดีคือการทำให้เขามีจิตใจปลอดโปรง่งตัดห่วงตัดอะไรในโลกมนุษย์และถ้าเป็นไปได้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 แล้วจะทำอย่างไรกันละ่ะเพราะตามธรรมเนียมแล้วถ้าทำได้ก็ควรได้ไปล่ำลาไปดูใจกันเป็นครั้งสุดท้ายไม่ใช่หรือแต่ไปแล้วห้ามปากห้ามใจไม่อยู่ก็เท่ากับผิดหลักการส่งคนตายที่ดีอีกในความเห็นของคุณดังตรินควรให้เป็นเช่นไรตอบก่อนอื่นต้องออกตัวว่า หลักการส่งคนตายที่ผมเขียนไว้ในหนังสือก็อย่างที่ระบุไว้แล้วว่าเป็นแนวอุบายของพระพุทธเจ้าท่านนะครับผมไม่ได้คิดเองเพียงนำมาบอกคุณๆเท่านั้นถ้าอยากได้วิธีส่งคนตายที่ดีที่สุดในโลกก็ขอให้เชื่อพระพุทธองค์ซึ่งท่งอย่างทราบอุบายธทำอันสว่างดีกว่าใครทั้งหมดนั่นคือให้ซักถามคนใกล้ตายว่ายังห่วงอะไร ก็หาทางพูดให้เขาคลายห่วงคลายพวงเช่นถ้ายังห่วงลูกเมียก็บอกเขาว่าลูกเมียจะไม่อยู่ในโลกนี้ตลอดไปวันหนึ่งก็ต้องตายตามเขาไปเหมือนกันนอกจากนั้นก็ควรชักจูงให้คิดถึงโลกสวรรค์ที่ดีกว่าโลกมนุษย์กับทั้งลงท้ายเหนี่ยวนําให้เห็นการเกิดในภพใดๆไม่เป็นสุขต้องจากตายหายสูญจากโลกนั้นๆกันทั่วหน้า คลายจิตจากความยึดมั่นถือมั่นในกายใจนี้และกายใจอื่นๆซะเป็นดีที่สุดสรุปคือพูดเหนี่ยวนาให้คนใกล้ตายตัดความอยากอยู่ต่อและตัดความอยากเกิดใหม่ได้นับว่าประเสริฐแท้เพราะจิตที่คลายความยึดมั่นในความมีความเป็นทั้งหลายคือจิตที่สว่างผลจากทุกกติแน่นอน และแม้ยังมีกำลังส่งไม่ถึงนิพพานอย่างน้อยก็เที่ยงที่จะไปดีมีสุขคติเป็นที่หวังได้กับทั้งจะเป็นสัญญาณ น, นำร่องไปสู่ความเป็นผู้เห็นถูกเห็นชอบแสวงทางพ้นทุกข์อย่างถูกทางในการต่อต่อไปอาจกล่าวได้ว่าวาระแห่งการส่งคนตายคือวาระอันเหมาะควรแก่การให้ที่พึ่งสำคัญสูงสุดกับบุคคลอันเป็นที่รักของเรา มาดูความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในโลกทุกวันมีคนตายและคนตายจำนวนหนึ่งก็มีโอกาสพบญาติในวาระสุดท้ายก่อนลมหายใจสิ้นจากร่างบรรดาญาติมิตรอันเป็นที่รักเขาทำอะไรกันพวกเขาพากันร้องไห้ระ ง, งมเป็นจักจัน่นนันเท่ากับสร้างพบแห่งความอาลัยขึ้นในจิตของผู้ตายชัดยิ่งถ้าคนใกล้ตายซวยหน่อย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 คนกําลังจะตายฝ่ายคนเป็นก็มารังแง่งรังขาหน่วงเหนียวไว้จนจิตเขาดิ้นรนอยากอยู่ต่อจิตที่ดิ้นรนนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขละ่ะแล้วจิตที่เป็นทุกข์มีความเศร้าหมองมีความยึดติดอะไรในภพเดิมจะมีกําลังอ่อนแอหรือแข็งแรงละ่ะแล้วจิตอ่อนแอที่ไหนจะระลึกนึกถึงบุญกุศลอันน่าเบิกบานปีติยินดีได้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 ได้อย่างสมบูรณ์แบบสูงสุดทีเดียวหากถามถึงความเหมาะสมหรือแนวปฏิบัติว่าควรทำเช่นไรผมคงบอกได้เป็นกลางๆแค่ว่าการมีญาติมิตรลูกหลานห้อมล้อมพร้อมหน้าพร้อ ม, อ ม, อ ม, อมตานั้นยังเป็นสิ่งสมควรหากขาดไปจะเป็นการละเลยและดูได้แต่ถ้าเห็นแก่คนตายจริงๆ